นาทีที่สองพศจิกาจนพศ2ส4 0กา ร, รมยายตสุขอภิสมัยสังจกตปฏิจจสมุตบาทโดยอาจารย์สุเทพโทธิสัพาอาธุชนที่เคารพครับเราเริ่ม <c oughs> ในช่วงที่สองซึ่งเป็นการสรุปเรื่องราวที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุตบาตจาก เนื้อหาที่มาคื อ, อพิสมยะสังยุตหนึ่งรอยสี่สูตรรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีมากมีน้อยที่พระเจ้าทรงแสดงแตกต่างกันไปในหลายสูตรสำหรับในครั้งนี้ได้ <c oughs> หยิบประมวลมาเฉพาะในสูตรที่ แสดงปฏิจจะอย่างครบสิบสององค์ซึ่งมีอยู่หลายสูตรก็เพียงแต่ว่าในเอกสารนี้ยังไม่ได้ใส่ที่อ้างอิงว่ า, าตรงไหนมาจากสูตรไหนเป็นเอกสารที่ใช้ชั่วคราวคราวหน้าจะจับพิมพ์ให้เป็นมาตรฐานเรียบร้อยพร้อมทั้งที่อ้างอิงโดยสมบูรณ์ภายหลังปฏิจจะที่แสดงในที่นี้แสดงปฏิจจะที่พระเจ้าทรงแสดงโดยองค์สิบสอง เป็นส่วนมากนะฮะเป็นส่วนมากคือในสูตรนี้แหละแล้วก็ปฏิจจาที่แสดงอย่างพิสดารมากที่สุดมีองค์เท่าไหร่เนี่ยก็ท่านลองนับดูในประเด็นที่ส0ที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเก้าองค์บ้างสิบองค์บ้างสิบเอ็ดองค์บ้างสามองค์สี่องค์แต่ต่างกันไปก็จะได้ประมวลเรียบเรียงมาโดยลำดับถัดไป สำหรับองค์ของปฏิจจะที่แสดงโดยสิบสองเนี่ยเราจะพบว่ า, าทรงแสดงโดยรูปแบบความเป็นเหตุเป็นผลก็มีแล้วก็ทรงแสดงโดยในของการปฏิบัติเห็นคือสภาพขององค์ที่มีมลักษณะความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็แสดงโดยในของปฏิปทา ปฏิปทาหมายถึงการแสดงค่าของปฏิจารทูบาทสายเกิดกับสายดับว่า ท, ที่ที่ทรงแสดงสองสายเนี่ยสายไหนเป็นสายค่าทางบวกสายไหนเป็นสายค่าทางลบที่เรียกว่าสายผิดกับสายถูกและปฏิจจในส่วนที่ท่านแสดงในฐานะที่เป็นเครื่องละความเห็นผิดสําคัญสองอย่างคือเฉทธิตติกับฑ์สัสตตติภัณฑ์ กิเลสเป็นปฏิจจาริสสองเนี่เป็นเครื่องล่างกิเลสหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญก็คือความเห็นผิดนอกจากนั้นทรงแสดงปฏิจจาโดยสภาพของความรู้คือผู้ที่อย่างรู้ปฏิจจาสมุปบาทแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็รู้อย่างไรและนอกจากนั้นได้ทรงกล่าวถึงผู้ที่แสดงธรรมะ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิจจสมุปบาทมีฐานะมีความสําคัญอย่างไรปฏิจจากับผู้แสดงธรรมแล้วก็ปฏิจจากับผู้ค้นพบก็คือพระพุทธเจ้านะครับนี่ก็ทรงแสดงเจ้าของสิทธิหรือเจ้าของที่มีสิทธิค้นพบธรรมะเรื่องนี้ว่าปฏิจจานั้นเป็นของที่เจ้าทรงค้นพบเอง เนื่องจากว่ามีนักศึกษาทางปรัชญาทางศาสนาแล้วก็ไปอ่านปรัชญาต่างๆของทางอินเดียเนี่ยแล้วก็มาแสดงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไปลอกปฏิจจสมุปบาทจากศาสนาเก่ามาซึ่งศาสนาเชศาสนาฮินดูนะซึ่งที่จริงเนี่ยศาสนาฮินดูนั้นเกิดภายหลังพระพุทธศาสนาและได้นําเอ า, าธรรมบัญญัเนี่ยไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อกอบคู่ศาสนาของตัวเอง ให้เป็นที่เชื่อถือของนักกรูนักิจทีนี้คนที่ที่อ่านธรรมะครับปฏิจจะแบบหนังสือ ท, ทั่วไปแบบประเภทท่องๆได้ทั่วไปแล้วก็บังเอิญไปอ่านปรัชญาของอินเดียเขาก็เลยไปตีความเอาเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนและว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นต้นคิดจริงๆนี่ก็เป็นคนอินเดียอย่างเช่นธันราธกปษิส น, นันก็ดีนี่ก็เป็นฮินดูนะ เป็นฮินดูที่มีความรู้ดีก็พูดทําให้ศาสนาเสียหายในระดับสูงหลายเรื่องแล้วพอหลงพลังไม่เชื่อถือก็เลยอธิบายศาสนาพุทธิววละวัตผิดไปเช่นเรื่องอันตาเรื่องอนัตตาเรื่องอพระพุทธเจ้าเป็นฮินดูอะไรจะเลยนะเอาเรียนฮินดูมาแล้วก็เอาฮินดูมาพัฒนามาดัดแปลงพยายามอธิบายแบบกลืนธรรมะกลืนพระพุทธศาสนาแล้วก็มาอีกกรุ่มหนึ่งที่ผมเกิดไม่ทัน แต่ผมมาอ่านหนังสือท่านมาตั้งแต่ออสงพศ2 5 1 3ที่สำนักที่อ่านคือท่านสวามีสตยานันทะเป็นนักปราชญอินเดียคนหนึ่งที่เข้ามาคผยแพร่หลักทฤษ ฎ, ฎ, ฎีฝ่ายบูรพาทิศในเมืองไทยในยุคก่อนแล้วก็มีนักปราชญไทยไปเป็นสารสิทธิษษ์มากมายแต่ว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทัศนณะทางธรรมะบางเรื่องเนี่ยผิด ผิดเรื่องนี้ผมก็ได้โตแยง้งได้อธิบายกับคนที่เขาเป็นคนรวบรวมผลงานท่านอามาพิมพเนี่ยที่อยู่สำนักนายก<อ>ทางฝ่ายวิชาการฝ่ายตรรมราธรราลาว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็บางเรื่องผิดนะอย่างเช่นพูดถึงผู้เจ้าอย่างไม่ได้เป็นคนพิเศษอยู่เหนือฮินดูแล้วก็พูดถึงเรื่องวิญญาณ ว่าเป็นเรื่องอัาตาเรื่องอะไรพวกนี้ครัเป็นเรื่องที่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยไปอ่านดูเถอะหนังสือพอมีจําหน่ายเราก็เกิดไม่ทันนะอันนี้ก็เป็นส่ว น, ส, วนส่วนที่ที่ไม่ถูกต้องที่ฝ่ายต่างศาสนามาพูดถึงอย่างปฏิจจาเนี่ยพระเจ้าก็บอกเลยว่าทรงเป็นผู้คนพอเองถ้าสมมุติเราพระเจ้าไปลอกมาราู้ทีเจ้าก็ทรงพูดเท็ดถูกไหมทรงพูดเท็ด แต่ว่าธรรมะใดที่ไม่ใช่ที่เป็นสิ่งที่เจ้าค้นพบเองเป็นของมีมาแล้วเนี่ยก็ทรงพูดอยู่เหมือนกันเช่นในเรื่องของศีลห้าในเรื่องของเรื่องของกรรมนี่ยนะฮะสิงจากวาพุทธศาสนามาเติมเรื่องของฌานเนี่ยก็มีมาแล้ววิปัสนาไม่มีนท่านก็บอกบอกชัดในกรณีของประเทบธรรมะของท่านกับทัศน์ชาวโลกกับมูลความรู้เดิมเนี่ยมีวัสูตรพวกนี้บอกอยู่ อะไรที่เป็นของเฉพาะก็จะทรงบอกจะมาดูประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งทรงสแสดงเริ่มต้นด้วยการวางองค์ของปฏิจจสมุปบาทสิบสองวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโดยในย่อทั่วไปที่เรารู้มีสิบสองและในสิบสองนี่ก็มีสองสายสองสายคือสายเกิดกับสายดับทรงสแสดงสายเกิดตามลำดับองค์ ตั้งแต่อวิชชาจนถึงสังขารเรื่อยไปจนถึงชาราและมรณะว่าองค์หนึ่งเป็นปัจจัยแก่องค์สององค์สองเป็นปัจจัยแก่องค์สามเนี่ยเป็นการสแสดงองค์สายเกิดจากนั้นก็ทรงสแสดงองค์สิบสองโดยสายดับสายดับนํานหมายถึงดับปฏิจจคุณบาทว่าจริงๆแล้วก็คือดับ กระบวนการหรือวงจรของชีวิตเราปฏิจจาไม่ใช่อื่นใดคือชีวิตเราตั้งกั่หัวจดเท้าครอบครองกายทั้งใจหมดกรรมกิเลสที่บากเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็มีปฏิจจสมุบาทสิบสององค์เป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยลำดับอย่างนี้เรียกว่าสายเกิดอย่างที่เราเกิดมาแล้วก็เป็นปฏิจจสมบาททั้งชีวิตเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นปฏิจจสมุบาท สิ่ง ว, ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในความเป็นปฏิจจสมุปบาทของแต่ละคนนั้นมันเป็นสิ่งเหมือนกันที่มีความแตกต่างกันอยู่ทุกทุกคนจะมีความเป็นปฏิจจที่แตกต่างกันหน้าตาเราแตกต่างกันก็นามรูปแตกต่างกันนั่นเองอะรูปแตกต่างกันอายตนะแตกต่างกันตาเหมือน อ, อโดยรูปลักษณะโดยศักยภาพของดวงตา ก, ก็ไม่เท่ากันนี้เนะี่ย แล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เราก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอีกอบางครั้งก็อาจจะไปคล้ายๆเหมือนกันโดยหลักใหญ่แต่อายหลักย่อยแตกต่างกันความชราเราก็ไม่เหมือนกันชาติเราไม่เหมือนกันพบไม่เหมือนกันปัญหาก็ไม่เหมือนกั น, น, กนตัญหาเราวิจิตแตกต่างกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ปฏิจจทั้งทีสององค์เนี่นะเวลามหมุนแต่ละรอบแต่ละช่วงเนี่ยก็มีสภาพแตกต่างกันไป ในบางพบบางปูบางชาติอาวิชาก็ไม่เท่ากันสังขารก็ไม่เท่ากันสังสังขารเก่าสังขารใหม่นี่เป็นสายเกิดคือจะเหมือนแตกต่างกันอย่างไรก็ตามแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือองค์เหมือนกันนะฮะองค์เท่ากันนี่พูดถึงอย่างเราเป็นมนุษย์บางกูมาจจะไม่เท่ากันในบางครั้งแต่มันก็จะเกิดอยู่ในติดตัวองค์นี่ครับและ เอาองไม่ององค์เหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติรายละเอียดแตกต่างกันไปตามกาลโอกาสเ อ, อเมื่อถึงจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยที่เหมือนกันคือเราจะต้องหมุนอยู่ในโพลูสามสิบเอ็ดนี่คือข้อเหมือนไม่พ้นจากทุกไปได้การพัฒนาตัวเองที่ยังอยู่ในวงรอบของปฏิจจสมูตบาทอยาก ก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีก็ไม่พ้นไปจากสังสารวัตอยู่นั่นเองทีนี้การพัฒนาเนี่ย ก, ก็ต้องพัฒนาไปตามลำดับขั้นแหละกระบว น, นาการพัฒนาตามลำดับขั้นบางทีพัฒนาในแง่ของคุณธรรมที่ให้ผลในเชิงวิบากที่เป็นวิบากที่เรียกว่าวิบากที่ยังต้องเว้นไม่ได้เกิด น ะ, ะถ้าเป็นคณียานี่เป็นความแตกต่างที่ไม่พ้นไปจากทุกนะสงมติว่าเราพัฒนาอาวิชาให้ดีขึ้นปัญหาให้ดีขึ้นสังขารวิญญาณให้ดีขึ้นแต่ดีขึ้นเพียงแค่ทำให้เราไปเกิดเป็นลมเนี่ยเราก็ไปพบข้อเสียหายกับการพัฒนาในระดับของคุณธรรมเราเรียกคุณธรรมแล้วกันนะคุณธรรมที่เกี่ยวกับวิวัตร สายวัตตาสายวิบากเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นประโยชน์แก่กรรมเนี่ยมันไม่พ้นไปจากสังสารวัตรมันเป็นในชีวิตกินดีอยู่ดีกว่ากันเท่านั้นเองไอ้ดีมากไปเนี่ยมันก็ดีจนกลายเป็นจุดตันของการพัฒนาคุณธรรมอย่างเช่นพวกพรมหมนะพวกพรหมนี่ก็เป็นพวกที่ไม่อาจจะปฏิบัติทําได้เสียหาย น, ยนี่แค่นั้นแต่ถ้าพรหมไม่มีเชื่อไปนะพรหมคืออรุโพรหมผมหมายได้อรุโภคพร และถ้าเป็นพรหมรูปเอาจรก็อาจจะได้ถ้ามีบารมีถ้าเป็นแต่ก็อาจจะยากหน่อยถ้าเป็นเทวดาก็ยากถูกอิทถารมบีบคันเป็นฝัดชั้นต่ำก็ยากก็เป็นมนุษย์เนี่ยครับก็ดีที่สุดละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจได้ได้อันหนึ่งว่าการได้รับความสำเร็จในการพัฒนาในเชิงวิบาก เดียจนกระทั่งเสียปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาในเชิงคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บางทีพระไม่เลือกเอาพระไม่เลือกเอามมตเว่าเราอยู่มีชีวิตอยู่สบายเกินไปพระไม่เลือกเอาใช่ไห ม, มสบายเกินไปเนี่ยโหมันติดทำให้เราเาข้าใจเทวดาเข้าใจชีวิตเทวดาอย่างดีเลยล ว, ว่าโอ้ที่ท่านบอกว่าอิฐาลมเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยคืออันนี้เอง ว่ที่ที่ไปนี่ก็มีสูภาพบุรุษคนหนึ่งเตียนธรรมะมากมากเยอะแต่เสร็จแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ได้ไปก็ติว่ายุงชุมทั้งที่มีมุงลวดนะไปก็ติว่าห้องน้ําไม่สะอาดไปก็ติว่าอาหารไม่ถูกปากทั้งที่เรียนเขาเข้าใจเหตุผลแต่ไม่สามารถจะทนกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่พระเป็นโยมเป็นโยมเราหลายคนอาจจะฟังแล้วเลยขี้ผงแต่ว่าคนที่เขาคุ้นหนึ่ยมันไม่ขี้ผงเขาเคยนอนห้องแอร์เขาเคยมีอาหารทุกอย่างมีแต่คนทําให้หมดมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยที่เขาจะถอนตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้เนี่ยนะเคยอยู่แต่บ้านหลังใหญ่ๆอเออคนจนไม่มีสิทธิ์เขใจ แต่แปคนคนอย่างนี้ผมเจอเป็นจัดๆเนี่ยอย่างน้อยห้าคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเราก็เลยมานั่งเออเราก็มีบุญเหมือนกันบุญบุญในทางทางโอกาสในการพัฒนาบนทางนั้นเราไม่รวยมากไปไม่รวยมากไปก็ไม่ไหวนึกเรามันนึกเสือชีวิตเดียวดานจะขนาดไหนแค่เขาจะลงมาโฉบในมโลโลกมนุษย์เนี่ยนะเหมือนคนจะไปอินเดียแล้วผู้คนว่โอ้ชอบชอบชอบ บางคนเนี่ยแค่ได้ยินชื่อก็อปวดแกหูแล้วไม่อยากได้ยินใครบอกว่าไปยินเดียียนหูเขาชงอุทานนะไปไหนนะถามสองครั้งไปไหนหาว่าเราผิดมนุษย์มานาไม่ไปเที่ยวอินเดียแต่ไอ้บางคนเขาก็ชอบไหลายคนชอบเขาก็ชอบเป็คนระแบบียบกันพอบางคนที่เขาไปชอบเขามีความสุขกับการเห็นชีวิตเห็นกรรมของมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ดีๆ เ, เวลาจะเอาคุณธรรมจะเปิดให้วิบากทางคุณธรรมเข้าเนี่ยนะต้องปิดกั้นวิบากทางกุศลวิบากอย่างพระเจ้ชชาก็ต้องยอมสละการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยอมออกจากวังคนไปบวชเป็นพาะเองก็ต้องยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่อีกแบบหนึง่งถึงจะธรรมะถึงจะเดินธรรมะนี่เขาก็แปลกนะ เขาขัดคอกับกุศลไม่บ า, บางระดับบางอย่างเพราะกุศลไม่บ า, บางระดับเนี่ยมันระดับมันสูงจนถ้ามันกลายเป็ น, เ ป, นเป็นฝ่ายสนับสนุนกิเลสธรรมะจะปราบกิเลสได้ต้องลดกําลังของอ่ากองสเสบียงต้องทําลายกองสเสบียงของกิเลสธรรมะถึงเดินนี่ถ้าไม่มีสเสบียงเลยให้ธรรมะ ก, ก็เดินไม่ได้เพราะวก็ <laughs> ต้องมีสเสบียงพ อ, อสมควรนะฮนะ ทำมาถึงจะเดินได้ก็ถึงว่าไอ้อย่างที่เม่ชาพูดที่ว่บาบังเอิญเล่าไม่จบสองสี่ว่าเป็นพระเราอยากจะทําบุญกับพระที่ท่านไม่เอาพอท่านจะเอาขึ้นมาก็าจางไม่อยากทําบุญนี่ไม่รู้จะเอาอยัางไงโยมนี่ทีนี้ผมมามองอีกพวกหนึ่งผมเคยถูกต่อว่าแล้วบางคนเนี่ยเคยถูกต่อว่าบางคนต่อว่าคนที่สามให้เราฟังเป็นการแสดงความเห็นว่า เออคนดีทําไมจนนะผมมาพูดธรรมะเนี่ยไม่ทําไมไม่มีรถขี่ทําไมไม่ยงมองวุ้อย่างนี้ก็ไหนว่าธรรมะทําให้คนอยู่ดีมีสุขและคนนักการเมืองหรือผู้ที่เป็นผู้นําทางบ้านเมืองเนี่ยไอ้ดีจริงๆไม่รวยแล้วพอรวยหาว่าเขาไม่ดีนะที่ยาวยังไงแน่ถ้าสมมติว่าเกิดเนะีบอกถ้าผมเนี่ย เกิดผมมาทางนี้ผมเขียนหนังสือขายช่องทางธนากิจย่าๆทำเทปผมพูดเองไงเองตั้งบริษัทขึ้นมาเลย บ, บริษัทขายธรรมะธรรมะพานิเนี้ทำไมผมจะคิดไม่ได้แล้วทำไมผมจะรวยไม่ได้ไม่ใช่เพิงคิดคิดมานานแล้วเมื่อก่อนก็ต่อสู้เอาไงดีเดี๋ยวนี้มันแน่นอนแล้วไม่เอาไม่เอาเมื่อก่อนมีอย่าง ยังคิดว่าเอ๊ะเอาไงเห็นคนอื่นเขาเขาเนีเขาเรียกว่าเลี้ยงช้างจริงกี่ช้างเอ๊ะเราเลี้ยงช้างได้ไปกินเคอะไรดีนะครัดนนีก็คิดว่าไม่เอา ก, ก็เราก็ดูค่อยๆดูว่าเออเราจะเลือกทางไหนเพราะฉะนั้นไอคนที่รู้เราไปเป็นผู้นําแล้วก็ร่ํารวยอย่างงี้นะไอคนที่มันมากๆ ม, มันก็ ให้การสนับสนุนรโลภผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะแต่ตอนโกงมันเกลียดแต่ตอนรวยแล้วมาให้มันมันไม่เกลียดนะมาค้าขายมาอะไรก็มันไม่เกลียดเอ๊ะมันกลายเป็นอย่างนี้ขัดขัดยังแยงแต่ท่านนักการเมืองคนไหนใจซื่อมือสะอาดไม่โกงไม่กินนะแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์เ อ, อื้ออำนวยกับคนที่จะเป็นฐานให้ก็มักจะไอตอนไม่โกงชอบแต่ไอตอนจะมาจ่าย ไปของเงิช่วยเลี้ยงอาหารท่ามึงบอกฉันไม่มีเงินหรือไม่ชอบมึงก็เลยไม่เลือกไอ้ตอนนี้พอเลือกก็ไปแล้ว ก, ก็อาจจะชอบตอนนั้นนั่นเขเลยมันขัดขัดอย่างๆอะไรอย่างเ ง, ง, ง, งี้ยทีนี้ไอ้คนที่มันชอบส่วนผลเนี่ยมันมากกว่าชอบส่วนเหตุมึงก็เลยเลยต้องไปเป็นทาสของไอ้น้าเงินที่ได้มาผิด ทีนี้คนจะอยู่ได้โดยไม่มีนื่อต้องมีคุณธรรมสูงมากอย่างมหาธรรมกรันทีนะหรืออย่างรัฐ บ, บุรุษในบ้านเราบางตัานเนี้ยอย่างนี้อยู่ได้แต่อย่างบางคนเนี่ยบอกโอ้เป็นหมอตีนเปล่าไช่วยคนโอ้คนในรักทั้งยังหวัดแต่เวลาเลือกไม่ได้ไอตอนเลือกเนะี่หมอไม่มีเงินแจกมันก็ไม่เลือกมันไปเลือกไอคนที่เอาเงินมาแจกไงเอาเงินมาแจกก็เอานาจมาค่มขู่ไง ประชาชนก็ไม่แข่งก็เลยเรต้องเลือกมันเลือกกี่ทีก็ไอ้ได้คนอย่างนั้นไปเนี่ยหลายหลายจังหวัดเป็นอย่างนี้อ่ะผู้หญิงก็มีเชียงใหม่ก็มีผมไม่อยากจะเ อ, อ่ยชื่อมันเป็นเร่องทัศน์ไหนอย่างผมไม่ไปไปลงไม่ได้ก็มไม่มีเงินแจกแคแ จ, แ จ, แ จ, แจกธรรมะเขาไม่เอาเขาไม่เอาฮะอ่าไ อ, อ้อย่างนี้เราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะมาอ่ อ่านั่นทีเฮ้ยอ่ยวหลวงพ่อหลวงพ่อเรื่องนี้เนี่ยเราปรึกษากันดีกว่าเกี่ยวกับปฏิจจาระาไหมเนี่ยต้องเริมพูดก่อนนะอาเป็นปฏิจจารของการเมืองก็แล้วกันอ่าสายเกิดเนี่ยของเรามีอยู่แล้วนะฮะ เราก็มีคุณสมบัติมาต่างๆกันหมดแล้วสายเกิดได้คุณสมบัติแบบไหนแบบไหนนะฮะองค์ที่หนึ่งแบบไหนองค์ที่สองแบบไหนองค์ที่สามแบบไหนเนี่กระทั่งถึงมรณะแบบไหนตายโหงตายไม่หงอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เรามีมาหมดแล้วถามว่าเราเคยถูกฆาตายบ้างไหมบางชาติเคยใช่ไหมเราเคยตกน้ำตายไมมไฟไมมตายมันเคยหมดแล้วตายดีๆก็มีมีมาหมดแล้ว แม่องค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอายสลายสนะหรือพบหรือผัสสะหรือตัญหาอุปาทานสารพัดอย่างเนี่ยมันมีทุกทุกรูปแบบในลักษณะที่ถ้าทำเป็นเป็นโครงกายคว้ยไปกอยมาเนี่ยในจิตพิสดาเรามีหมดเช่นอวิชาแบบหนึ่งกับสังขารแบบสองอวิชาแบบหนึ่งกับสังขารแบบสามวิญญาณแบบหนึ่งอะไรอย่างเี้ย มีสลับฉากหมดที่นี้มาพูดถึงสายดับสายดับนาหมายถึงการการดับอวิชชาอย่างสมบูรณ์ในอันหนึ่งกับดับอย่างไม่สมบูรณ์อีกอันหนึ่งถ้าเป็นอย่างสมบูรณ์หมายถึงการดับด้วยมรตั้งสี่ขั้น ดับแล้วดับเลยเป็นดับแบบสมุจเฉตอาหารโสดาก็ดับอวิชาได้ส่วนหนึ่งสากัดทาคานาคาจนถึงอาหารเสริมบุญหมดพอดับอวิชาแล้วก็ผลพวงใดที่เกิดจากอาวิชานั้นหลังจากนั้นไม่มีเนี่ยหนึ่งนะแล้วก็ผลพวงใดที่เกิดจากอาวิชาเก่าที่เคยมีมาแล้วบางส่วนนี้ก็รับดับไปด้วยแต่ไม่หมด อันนี้ผมอยากแกพูดและใ ห, ให้ให้ให้ให้ชัดในในระลับอีกทีนะนก็อธิบายแต่เพียงว่าพอเห็นภาพกว้างๆว่าอย่างพระอาหารหันเนี่ยท่านมาได้วิญญาณในชาตินี้ในคุณสมบัติปฏิสนธิของท่านเป็นผวผลพวงของสังขารชานิดสัขงขารเก่าใช่ไหมคือกรรมเก่าชนิดหนึ่ง แล้วก็กรรมเก่านั้นเกิดจากอาวิชชาเก่าชนิดหนึ่งเวลา น, นี้ดับอวิชชาหมดแล้วเนี่ยอวิชชาก็ไม่มีครับแต่สังขารเก่าที่ท่านได้ทาไว้คือกรรมเก่าหมดไปไหมไม่หมดปาฏิสนธิที่ท่านได้ถึงอยู่เดี๋ยวนั้นหมดไปไหมยังไม่หมดมันก็คือจะต้องกินอายุใจเท่าที่กําลังเหตุ จะส่งผลแต่อวิชาใหม่ไม่มีสังขารยีญาณใดที่จะพึงเกิดจากวิชาใหม่ดับหมดหมดไม่มีเหลือหลังจากนี้ไปทีนี้คนที่จะต้องไปเกิดใหม่เนี่ยฟังให้ดีนะคนจะไปเกิดใหม่ถ้าดับกิเลสได้ในปัจจุบันพลังกรรมเกา่า พลังกิเลสเก่าไม่มีแล้วส่งผลไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดก็คือว่าอะไรที่เป็นของเก่าๆก็เกิดเท่าที่กําลังเหตุปัจจัยก็ยังมีอยู่ก็คือถึงตายนั่นแหละครับทีนี้ถ้าเราดับในระดับปานกลางปฏิจจารในระดับปานกลางก็คือด้วยตาทางฆ่าปารานตาทางฆ่าปารานของวิปัสสนานี่ถึงเป็นการดับปานกลาง ก็คือคนที่ทำวิปัสนาญาณได้ถ้าหมายถึงวิปัสนาญาณแท้ๆเนี่ยนะฮะเอาแท้ๆกันเลยอบางทีก็ย้ายไปถึงญาณหนึ่งญาณสองอะไรด้วยเอาแท้ๆก็ญาณสี่ก็ดับเอาวิชาได้ในส่วนของตทพังครปาหานแต่ว่ามันคืนคลายได้เพราะว่าเป็นตทพังกปาหานก็จะดับได้ไปแค่ตายชาตินี้รับประกันได้แค่ชาตินี้ชาติหน้าก็อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ดับอย่างรองลองไปด้วยวิขำพนรนภปาหาน เตื้มนาชานอนาณาชาญเนี่ยการดับวิชามีผลในทางเป็นตัวสําคัญมีผลในทางวิบากไอ้ผลในทางคุณธรรมก็เป็นตัวตามเพราะว่าเขาข่มกิเลสได้ด้วยน ะ, ะก็หมายความว่าพวกโรมเนี่ยเขได้ชาแล้วก็ไปเกิดในในพรหมโลกใช่มไหมล่ะ น, นั่นก็ถือว่าเป็นวิบากเป็นสุดยอดของวิบากและกิเลสที่ดับได้ละได้ข่มได้ก็กิเลสเฉพาะที่ชาขม่ม กิเลสบางอย่างเนี่ยมันกลับเฟื่องฟูเพราะฌาญคือกิเลสที่เป็นปปันจธรรมที่เฟื่องฟูเพราะฌาญปปันเจธรรมคือคือตันหามานะทิฐินี่เฟื่องฟูได้เพระาะฉะนั้นไอ้คุณธรรมในระดับที่ทําให้วิวัตตะหรือวัตตาวันไหววิวัตตาใกล้เข้ามาเนี่ย ก็เปลี่ยนไปได้น้อยการนี้อมันมีตทังค้าประหารอีกระดับหนึ่งก็คือตตังข้าประหารในระดับบุญยกิริยาชั้นที่ไม่ใช่ภาวนาใหม่ที่เป็นภาวนาใหม่ก็คือทีคำวมนาประหารคือตตังข้ประหารโดยอภิปณานานี่เป็นเป็นภาวนาใหม่นะแล้วก็สมุดเฉทัประหารนี่เป็นภาวนาใหม่ พูดถึงนี้ก็อยากจะแนะนำให้คอยฟังเทปเรื่องประหาหน้าปริญญาถ้าจะช่วยได้เยอะนะก็จะมันมีคล้ายๆอย่างนี้เยี่องโยงนี้อย่างนี้ถ้าเป็นตะทางค้าประหารในระดับของบุญกิญาอื่มที่ไม่ใช่ภาวนาใหม่เนี่ยมันชักลักลัน่นนะบางทีวิบากมากมากกว่าจริยธรรมผลในทางวิบากมากกว่าผลทางจริยธรรม บางทีผลในทางเจริยธรรมมากกว่าผลในทางวิบากบางทีเท่ากันเออตรงนี้หมายความว่าไงคือเวลาที่เราทําบุญเนี่ยบางทีได้ความดีมากกว่าได้อานิสงส์ถูกไหมถ้าเราทําบุญอย่างเฉลี่ยฉลาดเนี่ยเห็นเราทําบุญอธิษฐานเรื่อเราทําบุญเป็นเช่นทําทานแบบจิตตาลังกาละทานแปลว่าทําทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเจริญภาวนาเรียกว่าจิตตาลังกาละทาน อันนี้มีผลในทางจริยธรรมมากกว่าวิบากแต่ว่าคนที่ทำบุญด้วยพื้นฐานทางศีลอ่อนพื้นฐานทางกิเลสไม่ไม่ไมค่อยดีมากนักเนี่ยนะดีก็อาจจะเกิดมาลํารวยแต่ไม่ค่อยฉลาดเกิดมาลํารวยแต่ว่าคนไม่ค่อยนับถืออ่างเงี้ยทำบุญทังสนแล้วไม่ค่อยมีผลในทางความศรัทธาของคนเท่าไหร่อย่างที่เราพอเนืนกันเนี่ยนะ แต่ก็ร่ำรวยธุรกิจอะไรแต่ละอาจจะดีอันนี้ก็ได้ผลในทางวิบากเยอะแต่ได้ผลทางคุณธรรมน้อยถึงขนาดเราเห็นว่าเป็นทานบดีมายี่สิบปีเนี่ยบุคลิกอุปนิสัยไม่เคยเปลี่ยนอันนี้ท่านก็ต้องนึกเอาเองผมพูดการที่ผมนึกแล้วไม่อาจไม่สมควรเล่าถึงใครนะแต่บางคนเนี่ยทำทานแล้วมีการก้าวหน้าทางจริยธรรมทานช่วยอันนี้ได้ผลในทางทางจริยธรรมมากกว่าในทางวิบาก แล้วเวลาที่กุศลส่งผลเนี่ยมันพาเอาจะเลยทําไปให้ด้วยหมายว่าไงหมายว่าเกิดแล้วเนี่ยดีด้วยรวยด้วยแข็งแรงด้วยเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะเจอลักษณะอย่างนี้ อ, อผมผมแซ่ดีนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยบางทีเคยนึกถึงขนาดเอามาตั้งเป็นคําถามถา ม, ถามกันแล้วก็ถามพระสายนี้แหละ ว่าเอ๊ะทำไมพระอีสานเนี่ยพระดีๆทำไมจนกันหมดลูกชาวไร่ชาวนาเขก็มีคนอุตส่าห์ไปถามในวังสาวหลวงปู่เรียนแต่แล้วก็มานั่งตั้งวงคุยกันเอ๊แต่เอาข้อจริงเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ทุกองอะสายอีสานในทุกองที่หัวดีมีฐานะดีหลายองค์เลยและที่ผมไปคุยมานี่ก็องคหนึ่งที่ผมนึกเข้าใจ ผิดมาตั้งแต่เดิมว่าท่านความรู้น้อยความสามารถน้อยเป็นลูกคนยากคนจนเหมือนอย่างไม่ใช่รวยมาก่อนรวยขนาดเอาเงินนี่มันเน็บตามข้างขวาโอ้โหคือถ้าจะเอาดีทางนี้ก็รวยใหญ่โตเลยแล้วเกิดในสกุลคนร่ำรวยแต่เป็นคนดีสแข็งแรงรูปร่างลักษณะดีนี่คือได้ทุกอย่างบอกเกิดก็ต้อง่อเนื่องเาเกิดมาเป็นคนรวยเลยบวชยากบัยากไม่ใช่ไม่อยากบวชนะ อายุถึงสองปีนี่อยากจะบวชแล้วแต่บวชไม่ได้เพราะอะไรละมาพ่อแม่ไม่ให้บวชเพราะหนึ่งพึ่งได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็เป็นลูกที่น่าชื่นใจจะรักษาวงศ์สกุลได้แล้วอะไรอีกหลายอย่างด้วยกันเลยไม่อยากให้บวชก็เลยใช้วิธีนี่ใช้วิธีบวชแบบวชพรรษาแล้วค่อยค่อยเลื่อนเวลามาเอาอ่า ลอลับกรถิ น, นก่อนอะไรเขาค่อยๆเลื่อนไปเลยจนมาทั้งเลื่อนจนพ่อแม่อ่อนใจเลยเลยบวชตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้จะมีลักษณะฉลาดหมดแล้วก็จริงจังหมดนะนี่ให้ให้สังเกตนะแล้วก็ท่านจะมองกันอย่างนี้ครว่าเออพิโมรัลละเอายกตัว อ, อย่างที่ที่ผมคุยกับท่านเออท่านนี้ท่านก็รวยกว่าเรานะ ฉลาดกว่าเราความรู้ดีกว่าแล้วทำไมท่านมาบวชแสดงว่าธรรมะเนี่ยต้องมีอะไรดีท่านถึงอยู่ได้โดยไม่อะไรใหญดีอะไรอะไรที่ท่านมองเห็นในกติโลกนะฮะแล้วก็ความร่ำรวยที่ท่านมีอยู่ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจเหมือนฝ้าสมัยก่อนคิดเออทำไมพระพุทธเจ้านี่เป็นลูกกษัตริย์ทาไมถึงออกบวชได้ ก็เริ่มเริ่มคิดอย่างนี้เอาล่ะก็ก็เลย ม, มาว่าแล้วว่าไอ้ตรงนี้ยครับมันก็เป็นสมุดเป็นประทางขับอาหารอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐินะฮะแล้วก็าการมีสีไร้อะไรอย่างที่เรารักษากันความเคารพนบน้อมอะไรพวกนี้ยขอให้เราเนี่ยครับเมื่อทําบุญให้เอาสองอย่างบวกเข้าไปอย่าเอาแต่บุญนะคนเอาแต่บุญเนี่ยก็มักจะนึกถึงผลตั้งไว้ก่อนนึกถึงปัญหาทางไว้ก่อน เอาแต่บุญเอาเธอถึงบางคนจะมีปัญหาอย่าง ท, ที่ที่มาวันนี้แล้วกลับไปก่อนเนี่ยมีปัญหาก็บุญก็ใช้บุญเป็นเครื่องแก้แต่ยังไงเนี่ยอย่าเอาแต่บุญเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าเราเอาธรรมะด้วยเนี่ยเอาอุิยธรรมด้วยเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาดีขึ้นทำให้การแก้ปัญหาดีขึ้น ผู้แค้นนินึกเพิ่มได้ไหมเพราะว่าคนถ้าทําใจไม่ได้ยกระดับธรรมะในใจไม่ได้เนี่ยเราทําบุญทําบุญจะช่วยได้น้อยอะ่ะเพราะฉั้นทำบุญต้องทําใจด้วยเวลาเราเราพูดก็ต้องพูดแบบนี้ทําบุญได้ต้องทําใจด้วยสมมุติว่าคนอย่างคนมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคุณเอาอย่างงี้คุณก็ให้ให้คนอื่นเลยหมายถึงว่า เราอยากขี้เหนียวเราเสียสละเสียสละเออเราช่วยเขาได้ช่วยคนอื่นเนี่ย ม, มันย้อนกลับมาตัวนะเราอยา่าคิดว่าเราจะแก้เรื่องของเราแก้เลือของเราไอเราไปแก้ืีนั่นละกลายเป็นวัน น, นั่นคือการแก้ปัญหาตัวเองในที่สุดแอคนที่เราไปช่วยเขาเนึ่เขาก็ามาช่วยเราเป็นหูเป็นตาอะไรก็แล้วแต่ะครับที่ใครจะช่วยเหลืออะไรเราได้แต่เราก็ไม่ต้องไปโลภอย่างนั้น อย่าไปขี้เหนียวอย่าไปถ้าเราแก้ของเราเนี่ยดูที่ไปทำลายคนอื่นแล้วเราไม่ใช่ว่าเอาของเราแล้วไปเอาเปลี่ยบคนอื่นเขามันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าคนทำบุญและไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีผ ล, ผลทางคุณธรรมมากกว่าวิบากถูกไมมถูกสูงไปสูงไปทั้งวิบากหมดหละธรรมะยิ่งสูงวิบากยิ่งน้อยนะ บุญที่ ท, ที่ที่จะเป็นธรรมดาในวิบากเยอะพเป็นอาลารเขาวิบากหมดเลยเป็นกิริยาหมดเลยศูนย์เลยลม่มเขาเรียกว่าอะไรล้ลมลมละลายลมละลายทางบุญก็อย่างนี้มันจะช่วยได้แต่เมื่เราเราจะแก้เรื่องนี้เราทำยังไงถึงจะทำใจของเรามาก่อน อย่างว่างี้นะตาใจให้มันมันมันว่างมันเป็นศูนย์เนี่ยพวกพระเนี่ยท่านจะจ ะ, จะมีเค็สเนี่ยอย่างไรายรายที่เขามีปัญหาเรื่องเครสไปทําสมาธิพระต้องคอยบอกอย่างบอกว่าให้กําหนดลมไม่ต้องไปค้นหาอะไรและไม่ต้องคิดว่าจะให้มันเป็นยังไงให้รู้อย่างเดียวให้ใจยอยู่ที่นั้น เติมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาทำนี่หมดนี่เป็นอุบายที่จะทําให้ไม่เกิดกวามวุน่นะายก็ใจผูกผูกไปหูกมาหูกไปผูกม า, กกมาเอออะไรอะไรที่เราไม่ได้คิดเนี่ยมันตามหลังมาตามหลังมาในลักษณะที่ทําให้เราเห็นหนทางแก้ไขหเห็นทางออกได้เพราะฉะั้นเวลาที่คนจะแก้ปัญหาอะไรนี่ต้องปล่อยก่อนเลยปล่อยปล่อยวางก่อนอา่า หัวเมียทะเลาะกันก็อยาคันก่อนได้ไหมบอกหยาคันก่อนนะฟังแล้วเราตกใจไหมไมาไม่หยาอยาคันก่อนแต่ถ้าถ้ามุ่งอยาจริงๆเนี่ยบางทีก็แต่มันจะอยาไม่ได้เดี๋ยไปแก้ปัญหาระหว่างนั้นบางทีมันกลับง่ายนะถ้าอยาจริงๆเนี่ยเพราะใจมันอยาตามด้วยแต่ว่าเออไม่ต้องอยาตัวแต่อยาใจอยาให้เห็นให้ให้เขาตป็นคนอื่นนะเราจะได้มันมาคิดผัวพันมาถึงตัว นั่นคื อ, อ, อ, อวิธีทางคุณธรรมแลดังนั้นเมื่อจะทำบุญเนี่ยขอให้นึกเอาความดีไว้ด้วยเสมอทั้งก่อนทำหลังทำอะไรก็ตามนะถึงเราจะรู้ว่าเรามีความจาเป็นต้องพึ่งบุญด้วยอาการใดอาการหนึ่งแก่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยา ยาใจเคยยาใจเนี่ยมีหมอดูแนะนำว่าคู่เนี้ถ้าอยากให้ดีต้องยาแล้วชีวิตถึงจะเจริญว่างันผลปรากฏว่ายาไปแล้วมันยาจริงๆเลยยมไปโยมผู้หญิงไปมีแฟนใหม่เลยยม อย่างนี้มันก็ที่แรกก็ว่าอยากันแค่ให้ชีวิตมันรุ่งเรืองเท่านั้นมันกลายเป็นว่ายาไปจริงๆอย่างนี้ก็มีนะอาตมาก็เลยไม่ทราบว่ามันจะเข้าเรื่องแค่ไหนอไอ้ที่ผมพูดที่ว่านะนํนาเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องของการทำใจปล่อยวางถ้ามีปัญหาเรื่องลูกเนี่ยต้องทือเลยว่าตัดตัดพ่อตัดลูกกันก่อน ถ้าตัดไม่ได้เราก็กลายเป็นหูมันแป้อย่างร้อนๆเนี่ยนะฮะฉะนั้นหมอเวลาลูกเมียตัวเองป่วยไปผ่าตัดจนะผ่าไม่ได้จะให้ผ่าได้ต้องทําสถานการณ์าเป็นลูกเมียคนอื่นไม่รู้ว่าลูกเต้าเราใครต้องเคยมีหมอมันหมอเก่งนะเชื่อไหมฮะเมียตัวเองป่วยให้ยาผิดไม่รู้อีท่านไหนตายเลยอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้หมอก็ตายชื่อแกชื่อหมอเข้มเก่งคนนับถือกันทั้งต่างบนเลยทั้งอำเภอเลยเอพราะเมียตัวเองป่วยตายได้ให้ยาผิดผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้มาพูดถึงว่าอย่างไรผมจะต่อตอนนี้ได้ชัดว่าไอ้กรณีของการใหญ่เขาเรียกว่ายายาเครสยาเพื่อเครสคนแนะนําผิดอะไรผิดก็นึกว่ายาเท่านั้นก็หายก็เลย เลยเครดเลยมันกลายเป็นขาดเลยนะในถ้าหากว่าไอ้ยาอย่างให้ ย, า, ยาเพื่อคุณธรรมมันมันก็มีต่างเป็นไปได้ทีนี้ถ้ามายาด้วยคุณธรรมแล้วมันอาจจะยาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่ายาแล้วมันได้ผลตอบแทนแก่ทั้งสองฝ่ายที่ดีกว่าอย่างพระเจ้าทําให้คนอื่นขายาเซียนพันนันทาเป็นต้นนี่นะถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้น ไม่ใช่ว่าอย่าเคล็แล้วคนหนึ่งไปแต่งนะโอ้ยเลยกว่าเก่าได้เมียแย่กว่าเก่าได้ผัวแย่กว่าเก่าก็แย่อย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วประเภทที่เรียกว่าตัดเนี่ยอย่างตัดลูกแล้วตัดลูกแล้วไม่ใหญ่ดีเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ยิงอย่างบางคนนะคือตัดแล้วทิ้งเลยไม่ไม่ห่วงยายไม่มีเมตตาไม่คิดจะแก้ไขกันในระยะยาวนะก็จะไม่มีผลแต่ถ้าตัด เป็นเพียงอุบายในการสร้างคุณสมบัตรในการแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าอย่างนี้ดีมีทางแก้กลับไปในทางที่ดีได้เอาละครับเป็นอันว่าผมว่าอย่างโดยคล่องๆล่ว่าการดับปฏิจจาเนี่ยอยู่ๆจะไปดับอย่างสมุดเฉดไม่ได้ต้องดับในระดับตัดทางคะนอกกรรมฐานเป็นอาธิปรมจา ร, ร์ ม, มาก่อนนอกภวนานะ ทุกอย่างเนี่ยทําให้มันเป็นราบกึ่งหนึ่งนีย่ยพุทธเจ้าว่าเป็นราบกึ่งหนึ่งคนอมีความเคารพนอบนอ้อมอ่ะเป็นราบกึ่งหนึ่งครูบาอาจารย์เขาอยากสอนอุดจาไปเลาะดีครูเขาอยากแนะนํานี่เป็นราบแล้วคือคนเราเนี่ยนะนี่ให้จำไว้อย่างว่าออ่ถ้าเราเป็นครูเนี่ยเรารู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ หรือเป็นใครธรรมดาก็ได้แต่ครูวาจารก็ชัดเจนหน่อยจะพระหรือจะไม่ใช่พระเหมือนกันบางคนเนี่ยไม่น่าสอนถามคำถามก็ไม่น่าตอบทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากตอบอยู่แต่เดิมนะแต่เขาทำได้ไม่น่าตอบทาให้เราไม่มีโอกาสตอบอย่างนี้มีคุงคงเข้าใจใช่ไหมแต่บางคนนี่ยเาถามแล้วน่าตอบเราอยากตอบอยากสอน นมันก็อยู่ที่การแสดงออกอะไรต่ อ, อะไรพวกนี้นะครับอแต่ว่าอาจารย์เล็กๆเขาบ อ, อบางคนพฤติกรรมไม่น่าสอนแต่ข้างในน่าสอนอยงวิชาโปรดอารักอาระวะาคยักเนี่ยนะออย่างทั้นทางการสอนแต่บางคนเนี่ยถึงอาการข้างนอกน่าสอนแต่ข้างในไม่น่าสอนอาการข้างนอกไหมาอาการข้างนอกน่าสอนเนีบางทีมันไม่ใช่เป็นอาการที่เครื อยากแกให้สอนแล้วครับหือบางคนเนี่ยรู้ว่าเรามาถามเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้เรียมใส่ไม่อยากไม่ได้เอาอยากฟังต่อคุยเขาถามไปอย่างนั้นเองเพื่ออะไรบางอย่างหลายอย่างต่างประเภทนี้นะเราก็อ้อมแอมพูดบางทีไม่อยากพูดอะ่ะกรู้จริงว่าบอกไปถามคนนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยนะก็แลแ้วใจจะขบเกลื่อนไปแต่บางคนเนี่ยเอออาการข้างนอกหน้าเขาดีเขาบริสุทธิ์นนะแต่ว่า บาลามีไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไปตามสมควรเมื่อเวลาที่เราไปหาพระเนี่ยจำตรงนี้ไว้เลยว่าทำยังไงถึงจะให้หน้าตอบหน้าสอนหน้าที่ท่านจะโปรดมีวิธีหลายอยา่างเออหันหลังเรา ค, คุยคุยกันนิดนึงกดีนะว่าวิธีเข้าหาพระวิธีครอบประตูวุติพระดังๆังดีๆเนี่ยจะทํำยังไงเออบังเอิญตอนนี้ไม่ได้ไปพูดเราวิทยุมันก็จะไปพูดแล้ว สามสี่ตอนก็ได้แล้วจะได้ผลพอเท่าที่ดูเนี่ยได้ผลพระเนี่ยท่านท่านรู้พวกนี้ว่มันจะไหวแรงมากขนาดเราธรรมดาสามัญนี้เรายังรู้สึกเลยงหมนนนะรู้สึกไหวทันวอย่างนี้อย่างงี้เออบางทีไปเจอประเภทที่เขาถามเราเพื่อเขาจะพูดที่ตั้งวงคุยอยู่เนี่ยนะเขาถามเราก็จะพูุเพราะพูดแล้วไม่ยอมหยุดเลยครับ ทัสมาชิกในวงออกไปอยู่ละคนละคนจนเหลือเราสองคนเราก็ควรรับคำฟังคนสุดท้ายต่อไปพอเจอหน้ากันใหม่อีกทีพักพวกบอกให้เขาไปนั่งข้างหลังอาจารย์อย่าต่อครับสิ่งที่เกียดฟังคำเพ้อเออมนกลายเป็นอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยมีมีอย่างนี้อยู่ใน ในในตอนไกลๆจะไม่ใช่จีเนียนะโอ้หนานน่านอึ่นอานมากไม่รู้พูดแล้วพูดไม่หยุดเลยก็แล้วกันจร่จริงเราลุกหนีทั้ก็ดีแล้วให้วงเขาไปถามถัดจากนั้นนะฮะเราเราพูดถัดจากนั้นไปอีกหน่อยว่าเมื่อเราละอวิชชาได้ในระดับต่ทางค่ะนี่ผมยกตัวอย่างเอาเห็นชัดๆคนเป็นจุลโสดาบัน ได้เรียนเรื่องปฏิจจาระบาขั้นปริยัติก็พอเรียกว่าเป็นจุลศสดาบันคนที่ได้ยานที่สองก็พอจะเรียกเป็นจุลศสดาบันเหมือนกันคนเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองจากธรรมะหนึ่งชาติคือไม่ไม่ไปอบายถ้าโดยเฉพาะได้ยานสองไงนะเพราะอะไรครับเพราะทิฏฐิหายไม่มี ความโง่หลงในหลายๆเรื่องเนี่ยถูกจำกัดพฤติกรรมทางบาปหลายๆอย่างเนี่ยถูกจำกัดกุศลก็จะเข้าเป็นเจ้าเรือนเพราะนั้นคนพูนี้เมื่อตายแล้วเกิดใหม่จะเกิดในสุกติแน่นอนไม่ไปทุกติจริงเรียกว่าจุลโสดาบันคือโสดาบันที่โสดาบันชาติเดียวประเภทนั้นรับประกันได้แค่ชาติเดียวถ้าเป็นโสดาบันจริงก็ มลนะก็เหลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งนึ่ก็ลดลงไปอย่างนี้ครับนี่เป็นสายดับจากนั้นปฏิจจสิทธสองสองสายโดยเหตุและผลอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้สังเกตดูครับว่าท่านเรือในข้อเริ่มต้นที่คัดไม่ดูด้วยเนี่ยว่านนี้โลกเวทนาสัญญาสังขาร น, นี้ความดับเอ็นโลกเวทนาสัญญาสังขารเมื่อปัจจัยดับผลดับ ตรงนี้เป็นการกล่าวแสดงให้เห็นว่าขันห้าเป็นอันเดียวกับปฏิจจสมุปบาทคือคล้ายๆจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทแสดงอย่างยอ่อคือขันรูปเวทนาัญาณตังการวิญญาณซึ่งมีความเกิดความดับเหมือนกันและที่ขันห้าของเราเกิดและอ่า ความดับที่มันมีสองอย่างนะผมแยกให้ให้ฟังสะก่อนนะฮะว่าความดับอย่างหนึ่งหมายถึงความเกิดดับอย่างธรรมดาเป็นขณะเกิดขณะเป็นดับโดยขณะกับดับแบบปลื้อถอนแบบทําไม่ให้เกิดคือดับเพื่อเกิดกับดับไม่เพื่อเกิดอย่างเปิ่นปลาหันเนี่ยกันดับดับอวิชาได้ก็ไม่เกิดอีกแต่วิชชาที่เรามีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับ คือดับแต่ดับแล้วเกิดอีกแต่ของพระหลานดับแล้วไม่เกิดอีกเพราะว่าท่านตัดไอ้กระแสเหตุปัจจัยบางอย่างได้แล้วเนี่ยท่านจึงเมื่ออาวิชานั้นดับแล้วไม่เกิดอีกก็เป็นนั้นว่าชีวิตของเราที่มามีชีวิตและเกิดดับเกิดดับเนี่ยเรากำหนดความเกิดความดับของขันห้ามันก็มีผนไปในการถอน วัตจักรของกันห้าคือปฏิจจสมุปบาทดังนั้นท่านจึงได้พูดอเป็นเชิงขยายรายละเอียดของปรากฏการณ์โดยเหตุผลของตัวชีวิตเราทั้งชีวิตคือนามรูปหรือกันห้าก็เมื่อเหตุมีผลก็มีเมื่อเหตุดับผลก็ดับก็จึงได้กล่าวว่าเหตุนั้นคืออะไรผลนั้นคืออะไรก็ออกมาเป็นปฏิจจสมุปบาทสิบสองสายเกิด ตั้งแต่อวิชาเกิดจนเป็นเหตุเป็นปัจัยให้อย่างอื่นเกิดจนถึงชลามรณะและเมื่อเราดับอวิชาสังขารก็ดับชลามรณะก็ดับในที่สุดจากนั้นไปดูประเด็นที่สามปฏิจจสิบสองโดยไตร ล, ลักษณ์อันนี้ก็เป็นการพูด อ, อ, อย่างเดียวกนในสูตรที่เราพูดมาแล้วนะครับว่าปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรม กับปฏิจจสมปาธรรมปฏิจจสูุ ป, ปาฏธ ร, รพูดในเชิงเหตุผลว่ามันเกิดมันดับแล้วก็ปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรมพูดในเชิงสภาพของหรืออาการของนามของรูปเวลาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยยานหนึ่งต้องจับองค์ได้จับองค์หมายถึงจับนามจับรูปได้ว่านามอะไรรูปอะไรบ้างนี่เรียกจับองยานสองจับความสัมพันธ์ขององค์ องเก่าองคใหม่อง์ชาตินี้ก็ชาติที่องชาติกองชาตินี้ก็แล้วแต่นะนะคือเหตุปัจจัยนั่นเองอันนี้ก็จับได้โดยลําดับต่อมาอันนี้อยู่ในปฏิจจสมุปปานธธรรมสองอย่างเนี่นะพอมาถึงปฏิจจสมุปปันธธรรมนี่จับอาการขององค์และความสัมพันธ์ขององค์คือเหตุปัจจัยนั่นเอง ก็คือยานสี่เป็นต้นไปแล้วครับวิปัสสนาญาณยานสี่เป็นต้นไปเริ่มที่ยานสี่เห็นความเกิดดับของทั้งตัวเหตุและตัวผลว่าเพราะผลเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นเพาเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เกิดดับไปตามเหตุผลอันนี้ก็พูดในระดับวิปาาัสสนาญาณแม้ในยาน ขั้นมัคเนี่ยก็รู้อย่างนี้แต่ว่าการรู้อย่างนี้เป็นอาสามโมหะปฏิเวทที่ผมเคยพูดแล้วคือไม่ได้รู้อย่างการกําหนดเห็นแต่ว่ารู้โดย อ, อ, อัตโนมัติโดยรู้โดยไม่ต้องจับเป็นอารมป์เป็นอสาสัมโมหะปฏิเวทใครที่ไม่ได้ฟังกรรมนานก็คงจะไม่กระจ่างอยู่ดีครับจากนั้นก็ไปดูประเด็นสี ปฏิจจ์สิบสองโดยปฏิปทาสองอ่าอันนี้ก็ว่าจริงๆแล้วควรจะอยู่ในประเด็นสองนะครับแต่มาอยู่ตรงนี้ก็แก้ไขได้ไม่ได้ก็เพียงจะพูดเสริมประเด็นแรกไปว่าการกำหนดค่าของสายเกิดกับสายดับสายเกิดเป็นปฏิจจผิดเป็นปฏิปทาเหมือนกัน ชีวิตเราเนี่ยเราเดินอยู่บนปฏิปทาไปในสังสารวัตปฏิปทาท่องไปในสังคือพูดง่านะวิธีท่องสังสารวัตเราเก่งไม่ต้องมีใครมาสอนอย่างเราเรานี่จะไม่เก่งอยู่อย่างเดียวไม่รู้ไม่ได้ทําปฏิปทาไม่รู้แล้วไม่ทําปฏิปทาไปนรกฟังเราเรื่องนะไอ้พวกคาสําบาทขำชัวนะ่วเนี่ยแหละกําลังทําปฏิปทาไปนรกอ่ะยกให้เขาเก่งไป เราขอขอแปลกันเราขอทาปฏิปทาไปที่สูงแล้วกันเมือก็ผิดก็มีผิดมากผิดน้อยโดยคติโดยวิบากที่มันออกมาแล้วก็โดยผิดโดยการสั่งสมกิเลสปฏิปทาที่นับผิดเนี่ยผิดหนึ่งผิดในแง่กรรมก็คือทำบาปที่ถือว่าผิดมากทำบุญบนบาปก็ ผิดน้อยลงมาหน่อยทำบาปน้อยก็ผิดน้อยลงมาหน่อยทำบุญก็ผิดน้อยลงมาอีกผิดในแง่ของวิวัตตานะแต่ถูกในแง่ของสังสารวัฏทำบุญก็เป็นของดีแหละแต่ในแง่วิวัตต์ละกลายเป็นมารเป็นผิดไปถ้าโดยเจรียธรรมผิดในแง่เจรียธรรมหรือเราจะเรียกว่ากุณลธรรมในเราพูดกันแบบง่ายๆก็คือ เราทำอะไรก็ตามที่จะเป็นทำบาปหรือทำบุญแล้วมันมีผลต่อการลดต่ำลงของจริยธรรมอย่างไม่สมเหตุสมผลผมยกตัวอย่างเช่นว่าไปปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อดูตัวเลขเนี่ยผิดไหยปฏิบัติธรรมะไม่ผิดแต่ว่าเจตนาไปผิดแบบไม่สมเหตุสมผลนี่นะ อย่างนี้ก็ผิดที่นี้คนที่ทำบุญเพื่อเอาสุขภาพแข็งแงรงรูปสว ย, ยรวยทัพย์นับวิญามีโพคามากมันก็มีส่วนผี่คือก็เอาขอแค่นั้นอย่างอื่นไม่เอาจะได้มาโดยวิธีไงก็ให้รวยไว้ก่อนนี้อย่างนี้ก็ผิดเยอะแต่ถ้าว่าเราปรารถนาเพื่อเป็นบาตรเป็นกำลังเป็นเครื่องอนุเคราะห์พรหมจรรย์ให้เราได้ทาความดีให้ยิ่งขึ้นถ้าอย่างนี้ ไอ้เจ้าคนขับรถที่เขาเขาขับรถบริการผมตอนที่อยู่ขับรถตู้แล้วก็มาส่งสนามบินด้วยก็ชอบทำมากมากตลอดเวลาเนี่ยโหก็ถามทำมากตลอดแล้วเขาเป็นคนดีสมาทานศีลออกทํางานก่อนออกทํางานทุกวันดีโอเกิดมาแล้วไม่เคยได้นั่งรถคนขับคนไหนดีตั้งนี้เลยเลื่อมสายพระเลื่อมสายเจ้ารู้หมดว่าพระที่ไหนที่ไหนผมเลยขอนําบัตรมาว่าใครจะไปท่องแดนพระแดนมาสจรรันนะไปถ่อก็ได้ เขารู้ดีแล้วเป็นคนดีจริงๆอะไม่เคยเจอคนขับรถดีเท่านี้น่ารักน่าเลื่อมใสอ่อทีนี้เขาพูดอีู่อย่างบอกพูดแต่นี้ก็เป็นในความต่างทางความเห็นว่าเขาทุกวันนี้เขาก็อยู่พอมีพอกินเขามีความสุขมากแล้วเขาก็เห็นว่าเขาไม่ต้องการจะร่ํารวยอะไรไม่รู้จะรวยไปแล้วก็พูดว่าคนที่ร่ารวยก็เหมือนก็แต่ น, นั้นนะคือการว่าจะเป็นผิดเอานะก็จะเป็นผิดอ่ะ ผมก็บอกว่าชค่ไอคนรวยๆเห็นเป็นทุกบอกคนถ้ารวยเป็นก็เป็นสุขแล้วก็ช่วยทําให้เราทําความดีมากขึ้นก็ยกตัวอย่งางคณะคนผมก็อ้างเป็นคนเรืเลยๆจกักนี่ที่เขามาจ้างรถคุณได้เพราะเขารวยใช่ไหมล่ะมันก็เจเอาเงินที่เรามาจ้างจ้างไปนะจ้างไปวัดจ้างไปสํานักปฏิบัติไปอะไรเงี้ยนี่ถ้าเรามีทรัพย์แล้วก็เราอมีคุณธรรมดีเราก็เป็นนายทรัพย์ จับไม่มาแหวงกัดเหล่ามันก็ดีกว่าเพราอไอตอนมาส่งที่สนามบินเขาก็เริ่มคิดใหม่แแม่ตอนนี้ก็บอกว่าเขาไปซื้อที่ไว้แปลงแม้ตอนนั้นน่าจะซื้อไว้หลายๆแปลงรอยกว่าหัวาเนี่ยนะมันสามแสนเอ้ยไม่ใช่สามแสนแสนห้าเดี๋ยวนี้มันสามสี่ล้านแปลงหนึ่งโอ้โหตอนนั้นเขามีเงินเนี่ยซื้อได้เป็นสิบแปลงเลยนะ พ่เขาเพิ่งกลับจากซาอุไม่งั้นก็ได้เงินทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วไม่คิดใหม่แล้แหมทันชั่วคืนเดียวครับเปลี่ยนความคิดเลยเมื่อก่อนคงคิดไม่ได้เลยขาดคอเมียมีบอลสู้บอลแมอวโรยไปก็ท่านะเขาก็ไม่กล้าว่าอะไรเพาไม่ยิงเงินงนึงเ้านี่แต่ก็มีความสุขไม่งัก็จะมีความสุขมากกว่านี้ แต่เรามาพูดถึงสัมมาปฏิปทาก็ถูกมากถูกน้อยเหมือนกันอีกครับถูกมากถูกน้อยเหมือนกันอีกเวลานี้เราบริหารปฏิจจสมุปบาทอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะควบคุมพัฒนาปฏิจจให้เป็นสายกลับเนี่ยเหมือนกระแสน้ำพัดไหลเราลอยคอต า, นามน้ำมานานเนี่ยเราก็สวนทางขึ้นไปได้ในระยะที่แตกต่างกันบางคนก็ไปได้ไกล บางคนก็ยังไปได้น้อยก็คือไอทีถูพัดไปบางทีว่ายไลยสามวัยพัดกลับไป้ห้าวัยเหนื่อยเลยทำไม่รู้จักขึ้นพักลิมตะลิงตะบ้างนะฮะ <ๆ S 1> เผล๋อเพล่ก็อาลืมตาก็ไนม่อีกทีมอ ง, อ ง, องตะลิงอีกทีอ้าวถอยมาตั้งไกลแล้วเนี่ยที่เรียกว่าคุณธรรมขึ้ น, นลงลงนะบางคนก็โอ้โหถึงลงลรูดเลย อย่างกระหุนประเทศอะไรก็ไม่รู้ว่ารูดลงมาเลยเงี้ยบางคนก็ประคองตัวอยู่ประคองคือรู้ทางหนีที่ไล่ไว้ตัวทันจากนั้นประเด็นที่ห้าปฏิจจ ա สิบสองโดยการละทิฏฐิสองนี่เป็นการล่กิเลสอย่างสำคัญสองอย่างคือสายเกิดการที่บุคคลเห็นปฏิจจารสายเกิด ทำให้ละความเห็นว่าศูนย์ได้ปฏิจจารสายดับที่บุคคลเห็นทําให้ละความเห็นว่าเที่ยงแท้ได้เกิดอย่างเป็นอตาอตาลาตาได้คือความจริงเนี่ยคนทําปฏิจจารหมูบาศอย่างธรรมดาเนี่ยถามว่าไปเห็นชาติก่อนได้ไหมไม่ได้ชาญไม่ได้วิญญาเนี่ยแต่ได้ชาญได้วิญญาหนึ่งจะเป็นตัวเป็นตัวชี้นําเหมือนเป็นไปฉายให้กับวิปัสสนา คนที่ได้ระลึกชาติและทำวิปั ส, สนาเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้แต่มันก็เสียเปรียบตรงอื่นเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเลยนะบางคนได้ชานเนี่ยใช้เป็นได้เปรียบใช้ไม่เป็นเสียเปรียบเพราะว่าชาตมันจะท่วมทับจิตโอ้พู่กันหมดเลยทุกคนเลยพูดเหมือนกันว่าเวลาได้ชาตเนี่ยมันมันไม่อยากออกอะคุยกับพระเนี่ยเหมือนกันไม่อยากออกมันดื่มดำแล้วรู้สึกว่าแม้จะออกเนี่ยมันเหมือนกับ คือท่านเทียบว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราจะออกไปห้องพัดลมก็ออกไปโขไปตาไปข้างนอกห้องพัดลมเองมันมีอยู่สามอย่างไงนะพอออกไปแล้วมันคิดถึงแต่ไอ้ห้องแอร์ไปนอนห้องไม่ใช่แอร์ก็คิดถึงไอ้ห้องแอร์นี่ธรรมดาของคนนะทนี่การไปคิดถึงเนี่ยบางทีถ้าเราถ้าหักมาเป็นกําลังใจดีหักมาเป็นกําลังใจหรือใช้ไปอยู่เป็นระยะระยะเพื่อเป็นกําลังใจตามหลักอที่เสียดี กขาพูดงั้นเป็นที่พักเอาแรงอย่างเงี้ยก็ดีไม่องงั้นแล้วก็ผูกมาทีน่นี้ไอ้ตรงนี้เหมือนกันว่าคนไปเห็นชายก่อนไปฉายส่องไปเงี้ยบอกให้เห็นเออเราเกิดแก่เจ็บตายข้ามขามามา้ข้ามชาติมีเหตุว่าใจก้ามชาติยังไงมันเลยไปมองนอกเรื่องมองนอกเรื่องไปเพลินเลยไปเพลินไอ้เรื่องคติทางกายภาพนะไปตื่นเต้นกันตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะ เห็นหนูน่นเห็นนี่เนี่ยที่คุยคุยกันหลายๆคนไปที่ยนี้ก็มีอิ่มกันจะพบข้อเสียหายตรงนี้ที่ทํากรรมฐานแล้วพลาดฟังได้ยินนูน่นได้ยินนี่อะไรอย่างนี้นะมีอยู่เลยแหละเวลาหน้าเราก็จะดูเนี่ยคัดก้นพวกนี้ไปพวกมันมีหลายพวกเอ่อพวกนี้จะเพลินแล้วก็กรรมฐานเสียถ้ามันได้อยู่แล้วก็ยิ่งมุงทีทำกรรมฐานไม่ถูกอะ ไปตีค่าว่าการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นวิปัสนาเป็นของดีแต่รู้ไม่ว่าทําไปทำไมหเห็นอย่างเงี้ยพอกนอิเรศมันก็ไม่ผิดไรกับตาเราเห็นเนี่ยครับเข้าใจไห ม, ไหมอย่างเราเห็นหน้าเออคนนี้โลลวลูกเจ้าเราใครอายุเท่าไหร่ในแบงมีเงินอยู่เท่าไหร่โสดหรือไม่โสดอะไรอย่างนี้สมุนโล คิดทางหนึ่งเป็นกสุะคิดทางหนึ่งกลายเป็นเรื่องเพลิดเพลินยุเลย เ, เกิดได้เกิดกับคนเห็นนะให้เราไปเห็นชาติเก่าชาติก่อนมาเอายังยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเอาเรื่องจริงๆงและง่ายๆเนี่ยคนหนึ่งแล้วเขาไปเห็นโอ้ยโยมเห็นพระองค์เนี่ยเคยเป็นสามีเรามากอนะม่อนนะปีญานบอกเข้าสํานักเมียเห็นสามีเรามากอ่อนเริ่มมีความคิด ผูกพันคือไม่ใช่ประปรุงแต่งขึ้นใหม่มันไปได้ข้อมูลมาสนับสนุนให้ความคิดผูกทางเก่ามันก็เลยมีความรู้สึกเก่าๆเนี่ยเข้ามาทําให้อา่เอาเกิดความเกี่ยวข้องอะไรอะไรนี่นะที่ข้างก๋ายพระเหมือนกันเน่ะไปเห็นเข้าอย่างงี้มันก็มีทางคิดที่จะคิดไปทางไหนอีกเหมือนกันตรงนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่าเราจะพาไปทางไหนแล้วเราจะเลือกเอาทางไหนด้วยเหตุผลอะไรน่าเกลียดไม่พวกนี้ ไม่น่าเกตฑ น, นะนั่นก็มันก็ไม่ผิดอะไรกับกุศลวิบากที่เรามีติดตัวกันมาเนี่ยเป็นทั้งผู้อุปรถรมและผู้อุปถากถากเตียนแล้วพราะเวลาเลือกโยงอุถากเนี่ยต้องระวังลคนนี้มาอุปถามาอุปถาถากเตียนเลยอะถ้าหลงมาเหลืองทากออกหมด อาจารย์โอ้ย่าได้รับเป็นโยมบาคนนั้นขาดธาตุเย็นแต่ว่าบางโอบางคนเนี่ยก็เลือกแหละครับโอปต์โอปถากหรือุปถาม อ, อ, อย่างนี้ได้เอาละนะมาว่าถึงไอการเห็นความรว่าเห็นความเกิดทั้งที่มันเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคนนั้นยังเห็นทะลุไปถึงชาติก่อนไม่ได้คนทำวิปัสนาระลึกชาติก่อนได้แบบวิปัสนา อย่างเรึกซึ้เหตุปัจจัยถึงอะไรก่อนๆในแง่ของคันลองของเหตุผลเราลองคิดดูนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณได้ยังไงว่าไอ้อะไรมันเกิดขึ้นมากี่ล้านปีอย่างกระโกหกอ่ะหนูต้นไม้เราอายุเท่าไหร่เขารู้ได้ยงไงเขารู้แบบก้าวกระโดดแล้วรู้แบบสืบบ่อแสจากสิ่งที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วก็คำนวณสืบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เขารู้ได้ยังไงว่า กาแล็กซี่ไหนมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่มันก็ใช้หลักความรู้จากปัจจุบันเนี่ยค่อยๆนั่นแล้วมันมันไม่ผิดก็มันคำนวณได้การรูท้ทางวิปัสสนาเนี่ยก็แบบนี้ต่างแต่มันเป็นภาวนาใหม่นะแต่คล้ายๆกันมาสื่อไปดูเองะรูล้ลงของเก่ามีจริงๆถึงเห็นรุ้เราเห็นว่าโอ้ยเช่นวัยคนไปจับกิเลสหลัก ตัวประธานของความชั่วได้ยังมีคนบอกมาว่าเออนี่นะเราได้ยินเรื่องประมุทัยสมุทยัมทยมานานเนี่ยเราก็ว่าเข้าใจดีแลแต่พอมาปฏิบัติเห็นเห็นเลยว่าขีดโยงให้ดูได้เลยโอ้โหนี่นะกิเลสความชั่วทุกอย่างนี่มาจากราคะตัวเดียวมาจากราคาตัวเดียวเห็นทราบซึงเลยด้วยตัวเราเอง แล้วก็ขยายไปโอ้นคนอื่นความชั่วของคนอื่นอะไรคนอื่นเนี่ยนะก็เข้าใจตานี้แล้วก็เราว่าโอ้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าไรตัวนี้ยังอยู่นะมันก็ต้องเหมือนนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แม่อดีตแม่นาคตนี่ทั้งที่ยังระลึกข้ามไปไม่ได้แต่มันเริ่มต้นที่จะสืบลึกทะลุทะลวงเข้าไปเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนะถึงมีพูดว่า การละลึกชาติได้ที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยตถาพูดในพระไตรปิฎกเล่ม17พุทธพจน์เนี่ยว่าละลึกชาติก่อนได้ไม่ใช่ตรัสด้วยอํานาจของบุพเพนิวาสารัตติแต่ตรัสด้วยอำนาจของวิปัสนาละลึกชาติได้ด้วยวิปัสนาทีนี้ถ้าเรามีอภิยญาเป็นบาทถึงก็จะช่วยทำให้วิปัสนาเดินคล่องขึ้น แต่ก็มีข้อเสี่ยงอย่างที่ว่าต้องควบคุมให้ดีนี่ถ้าเห็นความดับเห็นความดับเช่นว่าเราเห็นว่ามันเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วก็เห็นว่าดับแบบสนิทก็ดับได้แตบบ่ชั่วคราวก็ดับได้อย่างนี้นะก็รู้ว่าไอ้ความมั่นคงความคงที่ของคุณภาพชีวิตนี่มันไม่มี ใครจะมาสร้างเราก็ไม่ได้เ้าจะไปเกิดเป็นหมาทุกชาติก็ไม่ได้เกิดเป็นเทวดาทุกชาติก็ไม่ได้นะมันเปลี่ยนได้แล้วถึงขนาดทำให้มันดับศูนย์เป็นสมุดเชทประหารถึงเราจะยังไม่ได้เป็นพระดิยะเนี่ยนะก็เข้าใจตรงนี้ได้ไปตามลำดับก็ละความเห็นตรงกันข้ามได้ไอ้คนที่เขาเห็นว่ามีอัตราเที่ยงเนี่ยไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบลงลึกไม่มี เหมือนกับรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตา ย, ยานะเราก็ดูแลชีวิตเราจะไอ้อะไรที่มันจะทําให้ตัวเราดูได้ประโยชน์เนี่ยนะไม่ได้คิดที่จะเข้าไปพัฒนานถึงข้างหนรับผิดชอบไปถึงข้าไในเอาง่ายๆเราถ้าเราไม่คิดว่าเราเนี่ยป่วยได้นะแข็งแรงเนี่ยแก่ได้นะเห็นคนเท่าคนแก่เนี่ยเรานื้อเ อ, อเราแก่ได้แล้วคอยคิดอย่างงี้เราก็เริ่มจะรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่าง ให้กับตัวเราบางคนโอ้โหไปเจอไม่เจอหน้ากันยี่สิบปีไปเจอทางโทรศัพท์โอ้โหจําไม่ได้มันนึกถึงตัวเองในเสียวแว็บเลยว่าวันหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ก็กดคิดไม่ไดน้นี่ีอย่างท่านนี่ก็เจอมานานนะเจอมานานตั้งแต่ยังหนุ่มมากกว่า น, นี้อันี้ก็ชักรู้สึกว่าจะมองหน้าก็หยีตามองแล้วตาชักเสื่อมแล้ว จลายจะระ น, นาจักไม่คดีเห็นจะต้องไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยไปรักษาตาอันนี้ก็ถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนี่ถ้าถ้าเราถึงเราจะยังไม่เป็นอย่างนั้นมองเลยไปเนี่ยนะเห็นคนชั่วแล้วมองเลยไปถึงความว่าตัวเราเองเป็นอย่างนั้นอาจเป็นอย่างนั้นได้มันก็เริ่มเกิดความคิดกลับมารับผิดชอบปัจจุบันมาทํำยังไงถึงจะแก่ตัวแล้วถึงจะตัวตรงเลยนะนะ เป็นะตัวตรงไม่ไม่หลังกอหูสี่ห้าองศางอหูงอมากบางคนน่ากลัวไหมน่ากลัวจะไปไหนมาไหนคนลำบากพูดแล้วก็ช้ำใจทรมานใจคนมีอายุที่นั่งๆอย่างนี้ยังไงก็ก็ไม่พ้นด้วยกันนะครับเขเขายืมเป็ครูหน่อยแล้วกันวันหลังก็ยจะเป็นครูเขาบาง้งก็คงจะพูดได้เท่านี้ครับวันนี้